ฟังรมต่ออีกเราได้จะรสมุทคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเราก็ได้ฟังตามประเทศสนาของพระพุทธเจ้าก่อนแรกว่าเป็นเช่นราย ให้เราได้พิสูจน์ดูลองแล้ว อ, อไปทำทำตามจิงเทพองค์ทรงสงศนที่ผิดที่ถูกจิงที่ผิ ด, ผดได้ทำแล้วได้ทำได้แล้วจิงที่ถูกก็ทำแล้ว ให้มันแล้วไปงา น, นงานของเรางานชีวิตถ้าทำสิ่งที่ผิดให้ถูกก็ได้ชีวิตถ้ายังทำที่ผิดยังไม่ถูกยังไม่เสร็จก็ยังไม่มีชีวิตจะต้องเหมือเกิดเจ็บตาย งานนี้เป็นงานที่ทำแล้วทำได้เหมือนก็เราทำงานทำการทำนาเวลาฤดูปากด ำ, ก, ดำก็ดำนาะเสร็จแล้วรวมสำเร็จมันก็บอกคนที่ทำนาแปลงใหญ่สำเร็จจะเป็นอย่างไร อาจะนอนเล่นก็ได้เมื่อทำงานเสร็จแล้วเวลาเรื่องรู้จ็บเกี่ยวก็เจ็บเกี่ยวเสร็จแล้วความเสร็จมันบอกเวลาคนเจ็บเกี่ยวเข้าขึ้นยุคนชางแล้วจะเป็นเช่นไรงานใหญ่ แล้วก็ใช้ได้ไดกินได้ไดมีชีวิตชีวามีเลือดมีเนื้อดได้ไดกรรมฐานที่ก็เช่นกันิ<ม>ิชา<ม>กรรมฐานมันก็เสร็จดังที่เราได้ฟังพระองค์แสดงธรรมจัก ร, กรทุกเราได้ รู้แล้วเราละได้แล้วแล้วไปแล้วอนทุกหน่ะเหตุที่ทําให้เกิดทุกเรารู้แล้วเราก็ทําได้เราก็ละได้แล้วแล้วไปแล้วมันเหตุที่เกิดทุกจะทําไปแล้วนั่นก็เชื่อแล้วพ้นแล้ว นี่มันแล้วจนไมก่กำเหลือบอีกแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดทุกันทุกก็มากำเหลือบอีกแล้วทำอย่างไรเข้าปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้บวกไว้หมด มีวิธีตามหลักน้ามีความเห็นถูกว่าผมหลงไม่จริงผมไม่หลงมันจริง<ม>เห็นถูกอย่างนี้ผมโกรธไม่จริงผมไม่โกรธมันจริงมันทุกข์เพราเรื่องใดทุกข์ของไม่เที่ยง เรลูบประความไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นทุกข์เป็นเรื่องทำให้เกิดปัญญาเราเห็นอย่างนี้อันอันชื่อว่าความไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องปัญญาปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแต่ก่อนเคยทุกข์ประความไม่เที่ยง มันไม่มีปัญญาเมื่อก่อนบันนี้โอ้ตื่นแล้วที่มันเป็นทุกข์ผูกมเป็นทุกข์แต่ก่อนเป็นทุกข์ผูกมเป็นทุกข์อนุทุก็มาเป็นทุกข์วันนี้มันไม่ใช่แล้วมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะไป เป็นทางไปเป็นสิ่งที่บ่งบอกไปจิงใดไม่เที่ยงจิงนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งไหนไม่ใช่ตัวตนไม่ควรไปถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรามันบอกไปอย่างเด็ดละกัไปแล้วว่เนี่ยมันไปหันหลังให้แล้วแต่ก่อนควบไม่เที่ยงมันน่าใส่ เป็นภาละเอามาเป็นทุกข์แต่นี่มันหันหลังผ่านไปแล้วว่หลังแล้วเหมือนคนเดินทาง <c oughs> เอาบ้านนั่นไว้หลังเอาเบ้านนี่ว่หลังมันก็บอกของตาเดินทางมาจากกรุงเทพมันก็ผ่านจนมาถึงที่นี่ สามทุ่งกว่ า, วาแล้วบอกว่ามันถึงที่ไนแล้วลักษณะมันบอกอันถึงมันบอกอันพ้นมันบอกอันหลุดพ้นมันหลอกบอกนี่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> คือการเดินทางเรียกว่ามรักทุกข์กไม่เป็นทุกข์จะว่าอย่างไร เห็นอย่างนี้จริงๆไม่ถูกต้องเลยที่ว่าทุกเนี่ยอันไม่ทุกมันถูกต้องข้ออะไรคือของจริงอันเป็นสุดมีไหมพิธีที่เปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกไม่อยู่ถทำยังไงทุกกําหนดรู้แล้วเห็นแล้วจ้ำผัดูแล้ว เนี่เราได้ละได้แล้วอันชื่อวัทุกนะเนี่ยเลาได้หลุดพ้นแล้วดังที่เป็นตัวปฏิบัติที่เราทำอยู่เนี่ยเห็นเมื่อมีสติก็เจืตเรื่องนี้เข้าจริงๆแหละโตนืต้อโตตามีรู้มีหลงเห็นทันทีละเล่นตรง น, นี้เหมือนฝึกสนามฝึก แม้มันหลงกี่ครั้งก็รู้มันเท่ามันรู้เท่ารู้ทันมันหลงครั้งหนึ่งก็รู้ทันครั้งหนึ่งหลงสองครั้งก็รู้ทันเหมือนสองครัง้งมันจะไปได้หรือไม่มีที่ให้มันตั้งโบกคืนสลัดคืนไม่มีที่วางไม่มีที่ตั้งมันจะอยู่ได้อย่างไง นี่เลวเหมือนพระเจ้าว่าทำได้แล้วอันชื่อว่าทุกทำได้แล้วอันชื่อว่าหลงทำได้แล้วถ้าเราไม่ทำไม่ได้เพียงใดเราไม่ได้ปฏิ ญ, ญาณว่าเราหลุดพ้นมีได้ทุกชีวิตเรื่อเนี่ย พนไหมความหลงเลวไปเลยอย่างความทุกข์พนไหมความโกรธพดนไหมความโลภพ่นไหมอะไรที่มันเป็นทุกข์เราพ้นเลยอย่างน่ะนี่งานมันบอกยังนี่ำบรรทัานมันมบอกถึงงานที่มันเสร็จไปอย่างนี้แนละ้วันเสร็จจริงๆน่ะก็เห็นว่ามันเรื่องนี้มันมีการเคยการแก่การเจ็บปัญตาย มันก็พุนไปเมื่อไม่มีหลงมีทุกมันก็พุนไปทั้งหมดเลยเหรอจึงเรียกว่างานกรรมฐานจักจิตแบบนี้สำเร็จแบบนี้เดะมีรูปมีนา ม, มนก็มีสิ่งที่ทำให้สำเร็จรูปมันก็บอกนามมันก็บอก เป็นอุปกรณ์ทำไมเราได้เป็นงานพวงเราถ้าไม่มีงานมันก็ไม่ได้ทําการกระทามันก็มีผลจนปูกข้าวก็ได้ข้าวผลปลูกมันก็ได้มันปลูกอ้อยก็ได้อ้อยปลูกอะไรก็ทํานั่นบานพืชเช่นใดย่อมได้แล้วผลเช่นนั่น ผู้ทำดีก็ย่อมจะดีผู้ทำชั่วย่อมชั่วนั้นอยู่ที่การกระทำอย่างนี้แล้วก็มั่นใจโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานเช่นนี้มีความมั่นใจใน ในหลักข้อปฏิบัติมีสติรู้ซื่อๆเนียวลองดูใช่มันหลงรู้เข้าไปดูใช่อาวะที่รู้มันซื่อๆหลงก็มันไม่มีที่ให้ตั้งก็จืดไปจบไปอะไรมาก็รู้ซื่อๆเข้าไปยทุกข์ก็รู้ซื่อๆโกรธก็รู้ซื่อๆอะไรที่มันเกิดขึ้นมารู้ซื่อๆเนี่ย ชื่อหนึ่งเป็นกลางลู่เห็นเห็นนี่เป็นกลางไม่เป็นเนี่ยมันเห็นลูกก็ไม่เป็นเห็นก็หลุดพ้นแล้วเอาว่าที่เห็นก็หลุดพ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้มันบอกอย่างเนี้บอกทางอย่างนี่ถ้าเป็นก็หลุดไม่หลุดพ้นถ้าเห็นเราหลุดพ้นมันเป็นอย่างนี้หลักปฏิบัติมัน บุ่งบกคิดทางถ้าทำถูกมันก็บอกตรงผมถูกเหมือนคนสร้างบ้านสร้างเรือตั้งเสาขึ้นแล้วเอาอะไรติดต่อไปมันบอกโอค า, านขอเสาเสีใส่ลงไปขานใส่ลงไป ตรงใส่ลงไปจขนทันใส่ลงไปเครื่องแปลใส่ลงไปมันก็บอกอะไรต่อไปมันบอกรวมที่จะเป็นไปมันบอกแม้แต่ลือก็เหมือนกันนั้นบอกว่ามันไม่มีอะไรเหลือถ้ามันเป็นจะลื้อย่างไย ชีวิตเรามันดีกว่านี้ไม่ต้องออกเลี้ยออกแดงอะไรมากเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยไม่ได้ปีนป่ายปเปลีนแดงมันทําได้จริงๆนะเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นะเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนไรเป็นดีเนี่ยมันมั่นใจตรงนี้มาก มันขยันตรงนี้มากการขยันนี่เรียกว่าภาวนาภาวนาคือมันขยันเปลี่ยนไลายเป็นดีมีความรู้เป็นเครื่องมือเหมือนกุญแจเปิดได้ผ่านได้มีภาวะที่รู้ผ่านได้ทุกกรณี ภาวะที่รู้ที่เห็นนเป็นทางทางผ่านที่สะดวกภาวะที่เป็นมันติดขัดเหมือนจราจรติดขัดภาวะที่เห็นมันเป็นทางที่มันสะดวกด่วนที่สุดเหมือนก็เดินทางมีผีเหมือนมาที่มีผีเท่าดี น้ามัวแต่เป็นมนกับม้าไม่มีผีเท่าต้องห่างกันพราเจ้าเคยเปรียบเทียบดังนี้นะม้าที่มีผีเท่าดีย่อมละที่ไม่ม้าที่ไม่มีผีเท่าไม่ดีดผู้มีความเมียนเลิศก็ได้ผลนนเลิศ ผู้มีความเพียรต่ำจะได้ผลดันเลิศเป็นไปไม่ได้นี่ก็มาฐานถ้าเราทำไม่เสร็จไม่รู้จะเท่าทำอะไรไปทำไมความโกรธความโลภความหลงความทุกข์มไม่จ บ, จ, บจะมีข้างหนเลยชีวิตเราเนี่ย เรานืถือศาสนาพุทธศาสนาเพื่ออะไรเราไม่ผ่านตรงนใี้มีประโยชน์อะไรเราผ่านความหลงความโกรธความทุกข์ปัญหาเป็นปัญญามันจีรคุ้มค่าเรามีพุทธศาสนามีคำสอนจนให้มันสาเร็จหมดจุดจอกเครื่องโซหมอง ทั้งหมดยานเกิดขึ้นแล้วเจอเ่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วเจอเรานิพพานเกิดขึ้นแล้วเจอเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเจอลรวเป็นไปเพื่อความดอกทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อบรรลุนิพพานจึงจะคุ้มค่าจบความหลงจบไปแล้วความโกรธจบไปแล้วความทุกข์จบไปแล้ว มันจึงจะมีค่ามีชีวิตขึ้นมาจึงจะเหนือการเกิดเจ็บตายศาสนาเป็นอย่างนี้พุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นพิธีรีตรงเป็นการนับถือการเดิมไม่ได้ประโยชน์ มันไม่ใช่มันต้องทำให้มันสาเร็จื่อมันทำมาสาเร็จก็มีชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรน่ยังเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นโลเป็นหลงเป็นพอใจไม่พอใจมันใช่ชีวิตเนี่ยถ้าทำคาสอนเป็นอย่างนี้ เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัจจินิพานจบเจ้าสิ้นแล้วมพ่าจนจบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วหรือข้อปฏิบัติมีอยู่เนียมันหลงามไม่หลงไปอยู่มีสติไม่ใช่คิดัาเหตุหาผล หัดใม่ๆก็หัดมีที่ตั้งมีการกระทำเรียกว่ากรรมฐานฐานคือที่ตั้งกรรมคือการกระทํามีสติลงไปในกายมีอยู่จริงจริกายก็มีจริงจริงมีสิติไปในกายลองดูมีสติไปในกายเไปไ็ประจำ เหมือนดูแลมันการปฏิบัติธรรมก็ดูคือดูแลกายดูแลใจให้มันคุมค้มให้มีสติเป็นเจ้าของเนีย่ยนยปล่อยทิ้งอด๋ปล่อยให้อะไรมาของเป็นเจ้าของ ให้ความหลงเป็นเจ้าของให้ความทุกข์เป็นเจ้าของให้ความโกรธเป็นเจ้าของให้ความรักความชังเป็นเจ้าของให้ความพอใจไม่พอใจมาเป็นเจ้าของกายมาเป็นเจ้าของใจมันเถื่อนสมศรีตัวกายเถื่อนใจเถื่อนเขาหอบพิวไปไหนก็ไปกลงคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลว บไม่เคยหงดัดไม่เคยดูแลไม่เคยรักษาอ้อยใจนี่มันก็มีตามีหูจมูกดีนมีรูปมีลวดมีกลิ่นมีเสียงเป็นประตูที่มันออกมันเข้านนี่ ดูแลมันก็เถือนได้หลงมากก็เป็นโลโมหะจรลิดโกรธมากก็เป็นโทสจะลิดบงแตงมากก็เป็นลาคะจริตเอาจรลิตนั่นมาเป็นตัวเป็นตนไปเลยตามตามมันถ้าคง โทสะจิตถ้าโกดก็คือกูอูโกรธเป็นโทสะจิตเป็นชีวิตที่เป็นเอาเขาออกไปกินแล้วความโกรธออกไปกินแล้วโทสะจริตกูโกรธแต่กูได้โกรธตายไม่ลืมเอาความโกรธเป็นตัวเป็นต้นเอาความทุกข์มันเป็นตัวเป็นต้นเอาความ ล็อกความเกียดชังมาเป็นตัวเป็นตนทำตามจริงเหล่านั้นผิดพลาดมามากแล้วคนอื่นผิดเราก็เห็นอยู่ความโกรธเหตุผลในความโกรธมีเหตุผลในความหลงก็มีเหตุผลในความทุกข์ก็มีตัดสินใจทําตามความทุกข์ ใอ้ท่วมทุกข์บังคับขับใสเก่กับข่าตัวตายถึงข้าคนอื่นได้เสียเปียบความโกรธความทุกข์ความหลงเป็นปัญหาต่อตัวเองและคนอื่นจึงอื่นวัตถุอื่นมากมันก็ไม่มีตัวไม่ตนมันเป็นอาการนั้นหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเราไม่รู้มันนี่เรียว่าคนเถื่อน กายเถื่อนใจเถื่อน ส, สอนัมส่วนไม่ได้ต้องลักวนสงวนตัวเพื่อใช่เพื่อจะใช่มันได้ใช่กายให้ไม่หลงใช้ใจให้ไม่หลงใช้กายให้ไม่โกรธใช้ใจกายใจไม่ให้ทุกข์ที่จะเป็นทวงถูกนี่ ว, ว่าสาัมมาทิฏฐิ เป็นทางไปมีประโยชน์แต่ใช่ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษนทษะน่าเสียดายต้องชวนกันดีคนเดียวไม่ได้ในโลกในประเทศไทยเราน้าน้อยลมแพ้ไ่ต้องชวนกันนับดึงจากตัวเรานี้ เป็นปัจเจกบุคคลศาสนาเนี่ยทุกคนต้องต้องต้นถ้ามานับหนึ่งจากเราก็ไม่มีสองไม่มีคนอื่นคนดีอยู่ที่ไหนก็ต้องขี้มาหาตัวเยอยงเนี่ยไม่ต้องขี้หาคนอื่นแล้วก็มีดีได้ เปลี่ยนล้ายเป็นดีได้เปลี่ยนผิดเป็นถูกได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงได้เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธได้นี่คือคนดีโอาเราความชั่วบัณฑดิตต้องมองตนคนผ่านมองคนอื่นเหมือนกับสองกระจกมองกระจกงงเห็นตัวเอง บันดิตต้องหัดหมดั่นเถือนกลับมาปฏิบัติคือกลับมาอย่าไปมันหลงอย่าไปกลับมาบ้านของเราคือปกติบ้านของใจคือปกติใจมีบ้านคือปกติ จ, น ก, ตจนกายเน่น <c oughs> นั่นก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วอันมันก็เกิดเจ็เจ็บตายมันไหลไปอยู่จนจิตใจนี่มันไม่ไม่เหมือนกับกายนะเนี๋ยวนี้มันก็เจ็ไปอีกนาทีสองนาทีวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งเจ็บไปเรื่อยๆไม่เที่ยงไหลเรื่อยจนจิตใจนี่ก็ต้องอ๋อใส่มันให้มัน ใช้กายให้มันสำเร็จประโยชน์ชนเห็นมันง่ายเป็นไปกับมันง่ายๆถ้าเรามีฝึกหัดจิตใจนรากายก็เปียนพอ อ, อันนี้เป็นอริสงไปด้วยใจไม่ดีเสียหม ด, หดบางที กายก็เปลี่ยนใจใจก็เปลี่ยนกาย ก, กายกเป็นทุกข์มีโลกใครขยับใจเป็นทุกข์ไปอีกใจกโกรธถ้าใจกโใจกรธกายก็จินมาได้นอกแม่หลาไม่เปทำต่วกันระหว่างกายระหว่างใจเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกนะแล้วเราฝึกกันมันมันมันใช่ได้ มีอะไรสงโตกันแน้แะเราจึงจำเป็นต้องหัดต้องฝึกหัดทิ้งไม่ได้ในเฉพาะกรรมฐานนี่รีบด่วนที่สุดเลยอาจจะสองชับววันสาเร็จเลยแต่ขึ้นความรู้ซื่อๆนี่เว้ยกระตือกรล่นมากมันเกิดอะไรขึ้นรู้ซื่อๆนี่เข้าไปนะ ว่าทุกไม่เคยได้ไม่เคยได้ทำแบบนี้เลยโอหลวงพูดเตียนมาสอนให้ลูกซื่อๆเคลื่อนไหวซื่อๆมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์มันโกรธเห็นมันโกรธมันหลงเห็นมันหลงก็มารู้ซื่อๆไปอย่าเอาผิดเอาถูกอันผิดอันถูกไม่ใช่รู้ซื่อๆมันยากกันง่ายไม่ใช่รู้ซื่อๆ ลู่ซื่อๆมันจบมันจบมันจบมันจบแล้วแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วหลงรู้แล้วมันทุกรู้แล้วโกรธรู้แล้วผิดถูกรู้แล้วออะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะเป็นอาการธรรมดาเล็กๆน้อยๆไปไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าลู่ซื่อๆเนี่ยรถของโลกจืดตดเลยเลย เป็นโลภเป็นโลด เ, เป็นกินเป็นเสียงมีโลดเดียวคือโลดพระธรรมโลดพระธรรมย่อมจะรถท่องปวงสัพพะสังธรรมรัโสขินาติโลดพระธรรมย่อมจะรถท่องปวงคือภาวะที่ไม่เป็นอะไรนะมันเห็นมันรูปซื่อๆเนี่ยอไม่ใช่ ไม่ใช่ความรักก็เป็นโลดแบบหนึ่งความชังก็เป็นโลดแบบหนึ่งความสุข ก, ก็เป็นโลดแบบหนึ่งความทุกข์ก็เป็นโลดแบบหนึ่งแต่โลดประทับเหนือโลดเหล่านี้จืดเป็นอิจฉาภาพนี่คือชีวิต ได้รถพรรมคือได้รู้ซื่ อ, อไม่เป็นอะไรคือลดพระธรรมันหลงเห็นมันหลงลดพระรรมไม่เป็นผู้หลงค้นจะบข่มหลงไปแบบนี้นะไ้ไปทางนี้เรียกว่าทางมันมีทางอยู่ทางเหนือการเกิดเจ็บตาย การทำให้มันจบทำให้งานมันเสร็จคือทำแบบนี้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงจบไปแล้วความหลงอาจจะสองรอบสามรอนะอย่างอย่างอุคติตันยุบคุลเนี่ยเป็นแบบนี้นะ อุคติตันยุบุคคลวิป ต, จจติตันยุบุคคลอาจจะสี่รอบห้ารอบอุคติตันยุบุคคลผู้ผู้ใดดวงตาเห็นธรรมฉับพลันไหวคือ ท, ทำแบบนี้นะมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงถูกต้องที่สุดอะไรที่มัน เกิดขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ความโลภทาหลักเดียวเนี่ยอุคติตญญยบุคคลบิปฏิตญญย บ, บุคคลสามสีร่รอบห้ารอบหกรอบเกรอบเนยเยอะอาจจะเป็นยี่สิรบ 20, รอบสามสิบรอบยี่สิบสามสิบรอบไม่ไม่นานนะไม่ไปถึงวันก็มีนะแล้หลงมากอ่ะยิ่งรู้มาก ้มันคิดมากยิ่งรู้มากไม่มีสุขมากก็รู้มากไม่มีทุขกข์ก็รู้มากดีถ้า ม, ม, มันไม่คิดมันไม่รู้ความหลงทำให้รู้ท่า้มามาเท่าไหร่ก็เปลี่ยนนั่นดิจะชนานาญขึ้นนละ้วได้เป็นเนยยะปัทะปรมาหรอไม่ได้หยาบหลงก็หยาบในความหลงหือ เฉยอยู่ได้ค้อมโกรกก็ยังหยาบอยู่ยังโกรก อ, อยู่เอามาลำดับลำนั้นครทำไม่ทาไมทําไมเขาว่ากาับเราก็ทํากับเราทําไมทําอย่างนั้นอย่างนั้นเอามาลำดับลำนําเรียกวคนหยาบบุกถุชนเขาไม่โกรกกันแล้วเขาไม่หลงกันแล้วของเขาทิ้งแล้วคนอื่นเขาทิ้งแล้ว สิ่งที่เราหลงเขาไม่หลงแล้วสิ่งที่เราทุกข์เขไม่ทุกข์แล้วสิ่งที่เราโกรธเขาไม่โกรธแล้วคนหยาบคนดื้อเรียกว่าปุถุชนต้องหัดให้เป็นบัณฑิตมองตนบันดิตต้องมองตนขี้โทษตัวเองอย่าไปขี้โทษคนอื่นเวลามราลงอื มันจะถ้ารู้ชื่อมันจะยิ้มๆนะความหลงแต่แล้วมันโกรธดูเหมือนก็เห็นเห็นผิดตัวเางเนี่ยมันเป็นบัณฑิตแล้วไม่ใช่โกรธหน้าบูดหน้าเบี้ยวมันพอใจมันเห็นนี่เมันยังมีอยู่หเืยเนี่ยอืมชยันลงไปดู้ึกดูจักเบื่อหน่อย ดูจุเบื่อหน่อยในความหลงในความโกรธในความทุกข์ในความสุขเรียกว่าวิลาคะจางขายความปกติไม่ไมีอยู่นะมันก็มีรถต่างกันอยู่นะทำไมจะไม่ไม่เป็นเกณฑ์ขีดได้มันมโมกผิดบกทุกอยู่นะนี่นะนี่คือข้อปฏิบัติ ที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นมันมีอยู่จะเป็นทุกข์โสโมไถในโลมกมากเป็นที่จะดีที่คุมไว้ทั้งหมดองค์การปฏิบัติทุกข์ก็มีอยู่จริงเหตุที่เกิดทุกข์ก็มีอยู่จริงอันความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็มีอยู่จริงมันมีอย่างนี้ ถ้ามีทุกข์ก็มีกล่มไม่ทุกข์มีวิธีดับทุกข์นะเนี่ยมันมาให้เป็นของจริงอันประเสริฐทุกเทเททําห้เกิดเป็นพระเจ้าพระเจ้าต่อจุลุกมันเห็นทุกข์ทำไมไม่ทุกข์เนะี่ยทุกข์อะไรล่ะความเกิดความเจ็ความเจ็บ ค, ความตายนี่เป็นเป็นโจทย์ เราถูกเป็นจำเลยตัดสินแล้วตัดสินในความแก่ความเจ็บความตายเราจะยอมรับหรือยอมรับเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่จำนวนมันไม่จำนวนนะมันเจ็บเห็นมันเจ็ บ, มบไม่เป็นผู้เจ็บคือไม่จำนวนมันก็ต้องมีเจ็บยุ่งกัดก็เจ็บ ปวหลังปวดเอวก็รู้จักปวดอยู่แต่ไม่จำนวนเห็นมันปวดไม่เป็นผู้ปวดนี่รู้สิเมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเหมันจะตายเห็นมันตายเห็นมันจะตายไม่เป็นผู้ไม่เป็นผู้ตายพู่นจากความตายนี่คือไม่จำนวนทำแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม ดูดพน้นได้เช่นเราเห็นรูปเห็นนามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนนล้เห็นความไม่เที่ยงรูปแจ้งในความไม่เที่ยงชิงใดไม่เที่ยงชินนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงมันจริงแบบไม่เที่ยง มันไม่จริงแบบเที่ยงอันความไปเที่ยงไปทุกข์กับมันทําไมจะไปดึงมันยังไงความไม่เที่ยงเน่ยมันไม่ต้องไปทุกข์ความไม่เที่ยงอันความไม่ความความจะให้มันจะให้ความไม่เที่ยงเป็นความเที่ยงเป็นไปไม่ได้โน้แจ้งจริงจริงอันที่บอกความทุกข์จะให้เป็นไม่ทุกข์ไหนความทุกข์ก็เป็นความทุกข์แค่นั่นอยู่ มันเราเห็นมันไม่เห็นประกุมไม่ทุกข์นะแล้ไม่เป็นทุกข์ปรกุมเป็นทุกข์เนี่ยมันทําหน้าอย่างเนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ทุกข์ประกุมเป็นทุกข์ทุกข์มันก็มีอยู่เป็นทุกข์สภาวะทุกข์นิจฉลทุกข์อาการทุกข์ทุกข์ที่เป็นสมุทัย นิดเสือทุกทุกเมืองนิดเดี๋ยทุกแบบสภาพมทุกทุกเนนีคือต้องหายใจเขา้าหายใจออกถ้าไม่หายใจเขา้าไม่หายใจออกมันก็ทุก น, นี่นิดเสื่อมทุกทุกอยู่ดวงนิดทุกแบบนี้ละไม่ได้ละไม่ได้นะกาหนดรู้เฉยเรู้แล้ว ทุกบางอย่างต้องละทุกสมุทั ย, ททยเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์คือการปุงแต่งขวมหลงขวมโกรธละไดเนี่คือคือเราเราได้หลับอย่างเฝ้าเจ้าสแสดงไม่ใชี้เนี่ยมันทุกข์เราลูแลาล่แล้วกำหนดลู่แล้วทุกของอธิษ จ, จัง ปัญญเยียติเมพิกเวทุกเรากําหนดรู้แล้วทุกของสมุทัยโยทุกของสมุท य य ัยยังยัสจังบังอตปฏิเมพิกเวทุกที่เป็นสัมไรเราละแล้วเ <c oughs> นี่ยไม่ใช่กําหนดรู้เฉยๆทุกบางอย่างกําหนดรู้วยการรู้ทุกบางอย่างกำหนดรู้กรรมันเถ่า ทุกฝังอย่างรูด้วยการบรรเทาหิวข้าวก็ต้องจินข้าวเดินนานนั่งนานนอนนานต้องบรรเทานั่งนานก็ต้องบรรเทาพวดหลังปวดเดียวเปลี่ยนรปบวดยืนเดินนั่งนอนทุกวังอย่างก็หดูดด้วยการบรรเทาไม่เบียบทุกฝังอย่างก็ดูด้วยกันล่ะ นี่เราทำไม่เป็นระเบียบเลยทุกบางอย่างกำหนดรูทุกบางอย่างต้องเป็นทุกทั้งหมดเหรอไม่ใช่เกี่ยวข้องกับทุกอย่างถูกต้องอย่างนี้นะบางทีทุกสมุทัยยึดบัน้นถือมัน่นเก่งที่ชุดข้าวันข้ามคืนเป็นเดือนเป็นปีก็มีอันชื่อว่าทุกเรื่องเลยเป็นลอยเหมือนลอยแผ่บน ก้นหินลึกมากเผะบนอมีฉีก้อนหินลึกไม่หลอมไม่หลอมง่ายมันลอยลึกอมีฉีดบนดินลอยลึกแต่มีโอกาสลอได้ลอยฉีดบนน้ํามันหลอมง่ายง่ายลอยฉีดบนน้ําทําไงเหมือนทุก เห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากคนทุกข์ตัวทุกข์เป็นทุกข์ลอยขีดบนห็นลบไม่ได้ตายไปทั้งชาติเลยโตสัจจริตไปทุกข์เป็นทุกข์ก็ยากไม่มีโอกาสบรรลุธรรมนะหลงเป็นหลงถ้าหลง เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนะเรียกว่าสะดวกบรรลุธรรมได้ง่ายถ้าเป็นรอยก็ลกง่ายจนเรียบไม่มีรอยเลยคือข้อปฏิบัติมันทำได้อย่างนี้จึงกระตือรือร้นจึงกระตือรือร้นมากผู้บอกก็จะบอกแบบนี้ ผู้ทมก็ต้องทำแบบนี้จึงเรียกว่าเรียนตามข้อโกตามครูเื่อวานี้ไปจัดงานหนึ่งรอบจตรวรดหลวงพ่อเทียนที่กรุงเทพน่าชื่นใจมากพระสงไทยสองลูกมีเจ้าคุณพุทธทาสหลวงพ่อเทียนคนไทยรู้จักแสดงว่า มีพุทธศาสนาในคนไทยถ้ารู้จักพระสมสองรูปนี่เจ้าคุณพุทธาธิลพ่อเทียนเนี่ยมีแต่ปัญญาชนเป็นพันๆเมื่อวานเลยน่าชื่นใจอุ่นปนใจกับคนไทยทั้งชาติเนี่ยน ะ, นะก็เลยเห็นผู้คนมีแต่ปัญญาชนหนุ่มๆทั้งนั้น ก็นั่นนี่เกิดอะไรอ่ะก็สงสงโูกทําเรื่องได้เรื่องกรรมฐานนี่เองไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอื่นบางทีหลวงพ่เทียนก็ไปได้ลูกหลวงศืออะไรยังมีความสามารถสอนคนในเรื่องนี้ได้ไม่เกี่ยวข้องกับเพศกับไวักับลูกกับไม่ลูกเรื่องใดเลยเกี่ยวกับการปฏิบัติแท้ จะรู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสือก็รู้ได้อันภาษาธรรมะเนี่ยแล้วก็ได้เห็นภาพอย่างนี้ก็อบอุนอ่นใจคงจะมีทื่อพึ่งของคนไทยคงจะพึ่งกันได้ถ้ารู้จักวิธีถ้ารู้จักพราสงฆ์ไทยสองลูกในพุทธศาสนาเนี่ยปีสปีห้าสีจะจัดร้อยครั้ง ทุกภาคของประเทศไทยอ๋อวันนี้ก็กระตือรือรนเท่าหน่อยหล้งตาก็ยั ง, ย, งยังไม่ชิ้นหวังเรื่องนี้เพราะมันเป็นคิดเป็นจริงแบบนี้นะของจริงต้องทนตการพิสูจน์ได้ของไม่จริงทนตการพิสูจน์ไม่ได้ อยากจะให้บอกให้ได้ยินว่ามันหลงไม่หลงมีอยู่มันหลงไม่จริงไม่หลงไม่จริงวุ้งโกรธก็ไม่โกรธมีอยู่เนี่ยวุ้งทุกข์ก็ไม่ทุกข์ม่อยู่อยากจะบอกอย่างนี้เข้าวใดที่เราหลงก็ได้ยินว่าไม่หลงก็ได้เข้าวใดที่เราไม่ทุกข์ไม่ไม่ทุกข์ก็ได้ค้าวใดที่เราโกรธไม่โกรธก็ได้ว่าอย่างนี้ที่บก็เปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ช่วยตัวเองเป็น ช่วยตัวเองได้เหมือนก็ตื่นขึ้นมารู้จักจช่วยตัวเองได้สมขควรเวลากับพระพ้อมกัน